พระบัญญัติ413ก็ภิกษุใดชักชวนกระเดินทางไกลร่วม ก, กันกับมาตุคามโดยที่สุดแม้ชั่วละแวกหมู่บ้านหนึ่งต้องบัดไปจิตตีเรื่องภิกษุรูปหนึ่งจบ